นักเพื่อให้เราได้เตือนสติว่าวันนี้เราเน้นอะไรนะจะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตฝ่ายกายเราก็เน้นว่าการออกกำลังกายช่วงเชา้ารักษาสุขภาพนะเะสุขภาพนี่ดังได้กล่าวล้ามันเป็นต้นทุนเดิมของบรรพบุรุษเราจะไม่มีสติปัญญา รักษาเขานี้ไม่ได้โดยสติปัญญาที่จะรักษาร่างกายกับจิตใจเนี่ต้องมีความเข้มแข็งพอๆกันถ้าเราเข้าใจกายก็จะเข้าใจใจแล้วเข้าใจใจก็เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกายใจก็เข้าใจได้ไม่หมดเพราะมันเป็นปัจจัยอาศัยกันเลยกันเวอร์ชันในวิธีการพ่อในทางเมืองไทยก็มีความเข้มแข็งขึง้นขึ้นหลายกลุ่ม สามารถเป็นผู้นำภาวนาได้ทั้งดังกายและจิตใจซึ่งทางเราซึ่งอเมริกาเนี่ยพวกเรากำเนิดตรงนี้ก่อนเราก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกในการที่จะเป็นต้นแบบในการภาวนาดูแลทั้งกายทั้งจิตให้เป็นแม้ว่าะใช้เวลายาวนานมากกว่าจะได้คนไม่กี่ค น, นแล้วก็ต้องยอมเพราะว่าเป็นเรื่องหาคนมาไฝ่ใจเรื่องนี้มันยากดังนั้นใน ช่วงต่อไปพวกเราจะเป็นผู้นำภาวนาได้ไม่ใช่ว่าใครๆอยากจะเป็นก็ได้ต้องเป็นคนมีบุญบุศลมีสติปัญญาพอสมควรและอี่สำคัญมีความแข็งแรงด้านร่างกายดูแลเอาใจใส่เราอยาคิดว่าเราจะเกิดมาแค่เป็นทำมาหากินมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าป่วยแล้วก็ตายแล้วก็จบชีวิตคนมันไม่น่าจะมีค่าอยู่อย่างแค่นั้นมันน่าจะมีอะไรมากกว่า น, นั้น อันนั้นก็คือการที่เราจะต้องพ้นวิบากกรรมในการดูแลครอบครัวแล้วเราก็จะต้อมาเป็นคนของพระพุทธเจ้าในฐานะเกิดมาชั้นชาตุนหนึ่งและเป็นทาตของพระพุทธเจ้าได้เป็นทาตของพระพุทธธรรมอย่างแท้จริงบ้างแทนที่จะเป็นทาตของลูกของปัวของเมียมาตลอดชีวิตแล้วก็ตายไปมันจะไม่ต่างกับคนธรรมดาแต่เราในฐานะที่มีบุญกุศลมีบรรพูหุดได้สั่งสมสิ่งที่ดีมากกว่าคนอื่นเราก็น่าจะไปไกลกว่านั้น ในแง่ของการลงทุนชีวิตต้องมีโอกาสได้เป็นทาสของพระเจ้าจริงๆคือทำงานรับใช้ท่านนั่นคือเราจะต้องฝึกคุณธรรมของพระเจ้าให้มีในตนเองก่อนอมนถึงจะไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้อเพราะนันเมื่อหลวพ่อตรนักรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็อยู่เฉยไม่ได้ว่าคนที่เกิดมาที่มีบุญกุศลมีสติปัญญามาในอดีตเยี่ยแย่มากยแต่เขายังขาดขาดกริรณามิตร นะขาดผู้ชี้นำเท่านั้นเองเมื่อเขาได้พบกริยามิตรได้ผู้ชี้นำที่ดีเขาก็อาจจะไปได้ไวนะเพราะนั้นพวกเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยไม่กี่คนเราจะบอกว่าทำไมคนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้นทุนเก่าเขาไม่มีในอดีตและไปเคี่ยวเข็นขนาดไหนมันก็ไม่ได้ แต่เรามีต้นทุนมามากกว่าเขาในอดีตเราถึงมาทางนี้ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเมตตาสงสารเขาจะทำยังไงให้เขาได้สั่งสมบุญตรงนี้ก็คือวิธีการชักชวนแนะนำในฐานะเป็นกรเรียนณมิตที่ดีเท่านั้นเราจะไปดูถูกเยยดยามหรือไปตำหนิไม่ได้เพราะว่านั้นเป็นเครื่องมือในการที่พัฒนาสติปัญญาของเรา นะไม่เพราะว่าเรามีต้นทุนม า, มากกว่าเราเป็นผู้เข้มแข็งกว่าเราก็จะต้องช่วยเขาให้ได้แต่ผู้ที่เข้มแข็งแล้วไม่ยอมเชื่อคนอื่นแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นไปในสายงานของอระพุทธสัตว์หรือพระพุทธเจานะ้าะมันก็จะคับแคบสติปัญญาเราไม่กว้างขวาง <c oughs> การที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นการขยายฐานของสติปัญญาของเราให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเราเอาอะไรแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นเลยสติปัญญาแเราก็แคบๆเท่าที่จะดูแลตัวเองเท่านั้นแหละแต่ดูแลคนอื่นไม่ได้มันก็ไม่ค่ามันก็ไม่มีมากนะเรือเล็กๆพาไปคนเดียวกับเรือใหญ่ๆสามารถบรรจุคนได้เป็นสามสี่พันคนราคามันก็ต่างกันเรือเดินทะเลเรือครูสกับเรือแจ่วมันคนละเรื่องกันหรือใหญ่ๆเรือห้างยาวเรือ เดินทะเลระดับต่างๆอันนั้นคือฐานเสพเป็บเหมือนฐานบา ร, รมีของคนที่จะช่วยคนได้เท่าไหร่ผู้ดีเจ้าท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ดีเจ้าเพืจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ออกจากทุกขมนุษย์ทุกคนนะเป็นผู้ที่น่าสงสารเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทุกไม่ตั้งใจที่จะโงหะ่หรอกแต่ว่าเขาไม่ได้สั่งสมมาแต่ผู้ที่มีทุนเดิมหรือมี วาสนาบารมีได้สังสมมาบันผู้ดูแลสังสมมาให้เราเนะ่ยเราก็ควรที่จะทําหน้าที่ในการที่จะแบ่งปันในประสบการณ์และในทรัพย์อรยทรัพย์ที่เรามีให้ผู้อื่นเราเห็นผู้อื่นยิ่งเห็นความไม่มีไม่งามเราก็ยิ่งน่าสมเพชสงสารคิดอาทางที่จะช่วยเขาโดยวิธีใดก็ได้พิจารณาอยู่ยนั้นนะมันก็จะเป็นช่องทางเป็นการเพิ่มพูน กำลังสติปัญญาให้กับตัวเองนะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูถูกเจ็ดยามดูมินมันก็เป็นการตีกรอบสติปัญญาของเราให้แคบลงมันก็จะไม่กว้างนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นความฉลาดของแต่ละคนอุโศลจิตนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะอันนี้เบื้องต้นว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้นะทีนี้บทเรียนวันนี้ที่เราจะต้องเน้นก็คือตั้งแต่เมื่อวานะวันนี้เป็นวันสมาธิ สมาธิสาคัญอย่างไรนะก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวจักสาคัญที่จะเชื่อมต่อทั้งสติสมัมปชัญญะให้เป็นปัญญาหรืย อ, อาศัยสมาธิเป็นตัวเชื่อมต่อถ้าไม่มีฐานของสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่แต่ฐานทับถ้าไม่มีฐานทัพการบก็แพ้ ไม่ได้ฐานสุขน้ามันสุขน้าสูอะไรต้องมีฐานที่มั่นตั้งมีฐานที่มั่นคือสมาธิจิตของเราก็เหมือนกันต้องเป็นฐานที่มั่นให้ปัญญาได้ทำงานสนามบินก็คือฐานของสนามบินก็คือฐานของเครื่องบินถ้าไม่มีสนามบินแล้ว <contained. S 1> <ilim. S 2> เครื่องบินจะลงไม่ได้แล้วก็ไม่มีสามารถจะขนส่งข้ามโลกได้ถ้าม่มีสนามบินฉะนั้นตัวฐานของจิตเหมือนกัน ยิ่งกว้างยิ่งเข้มแข็งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีตัวปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องบินแต่ละเที่ยวที่มาลงสมาธิคือสนามบินนั่นเองนะดวสติสมัยยะก็เหมือนองค์ประกอบต่างๆในสนามบินที่จัดการบริหารให้คือบินเข้าออกอย่างไรลงอย่างไรไปอย่างไรมาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ห้ายฝ่ายภาค พ, พื้นทุกส่วนที่สาคัญเนะชื่อมอกันดังนั้นเองการที่ เราจะทําฐานสมเด็จเข้มแข็งได้อย่างไรเบื้องต้นท่านบอกว่าให้มีสมาธิสมาธินี่มันมีความสําคัญแค่ไหนเพราะฉะนั้นฐานของสมาธิเป็นเรื่องสําคัญมันเริ่มต้นโดยมันเริ่มต้นด้วยสัมมาสมาธิแล้วสมาธินี่มีความจําเป็นอย่างไรมีอยู่ห้าอย่างนะว่าที่เป็นสมาธิได้หนึ่ง ความคิดวิตกกังวลต่างๆเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านี่เราต้องสํารวจนะท่านใช้คําว่าวิตกวิจารสองอย่างเนี่ยเม่ว่าเมื่อใดก็ตามว่าจิตของเรามีสมาธิหรือไม่เนี่ยดูว่าใจของเรานั้นมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในใจไหมถ้ามีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างในใจนั่นหมายความว่าสมาธิสมาสมาธิเรายังไม่เกิด ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามอะเรื่องสุขภาพเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องน้องเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการงานที่มันมาวนอยู่ในใจนั่นคืออุปสรรคเบื้องต้นที่จะมาให้เกิดฐานของสมาธิแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีฐานของสมาธิเราก็จะไม่รู้ว่าปัญญามันเกิดอย่างไรเบื้องต้นที่สุดสำรวจลงไปเลยว่า อะไรที่มันวนๆอยู่ในใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกเรื่องเตา่าเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการเรื่องงานเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามดูจิตของเราว่ามีอะไรวนอยู่ในใจหรือเปล่าขณะ น, นี้นั้นเบื้องต้นที่จะสำรวจว่ามีฐานของสมาธิไหมเมื่อสํารวจชัดเจนแล้วว่าในใจขณะนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็ให้ตามรู้อาการนี้ไปนานๆว่าจิตที่มันไม่มีวิตุกลางบนอะไรต่างเ ให้ดูเป็นานว่าไอ้ตัววิตกกังวลอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นเพราะสติสัมปชัญญะเราได้ฝึกมาระดับหนึ่งแล้วย่อมจะส่องเห็นได้ว่าขณะนี้จิตของเรามีอะไรเข้ามาวนเวียนหรือมาวุ่นวายอยู่ในขณะนี้บ้างไหมนั่นคือสติสัมญาจะทําหน้าที่ในการสํารวจตรวจสอบแต่ถ้าหากว่าเราไม่สํารวจตรวจสอบไม่เห็นหรือไม่รู้ ก็แสดงว่าสติเนี่ยที่ฝึกมานั้นใช้ไม่ได้แสดงว่าฐานสติสัมยาที่ฝึกมามันผิดมันถึงเอามาใช้ในจุดนี้ไม่ได้นี่คือความก้าวหน้าและถอยหลังของแต่ละคนว่ า, วาเจริญสติเจริญสตินะใช้สติสัมยาเข้ามาสารวจจิตของตนได้ไหมว่าขณะนี้มีเรื่องอะไรเยอะอยู่ในใจแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงตัว วิตกกังวลเหล่านั้นให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นตัวความรู้สึกตัวให้ชัดความรู้สึกตัวชัดเท่าไหร่ความวิตกกังวลก็จะหายไปเลือดโอัตนมัติเมื่อสำรวจจิตและรักษาจิตให้มันว่างจากความวิตกกังวลให้หายจากวิตกกังวลได้ยาวจากนั้นจิตของเราจะเบาสบายลงปรุงร่างกายก็จะเบาสำรวจได้ว่าจิตของเราไม่ได้ถูก กดทัพนะคนทั่วไปจะใช้เวลาวิตุกังวลวายจะใช้วิธีเก็บกดและกดทับแนะจิตถูกกดทับแล้วความปวงเบาสบายทั้งร่างกายที่ใจมันจะไม่มีมันจะเป็นความหนักนั่นสมาธิแบบมิจฉาสมาธิหละนะคือเปลี่ยนวิตกกังวลความคิดต่างๆให้เป็นตัวรู้สึกตัวไม่ได้มันก็ใช้วิธีเก็บกดและเป็นวิธีกดดัน แล้วไม่เป็นวิชาสมาธิก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อปัญญานะทีนี้เมื่อเราทำถูกต้องสติสมาธิฝึกมาถูกต้องมันสามารถเข้าไปสำรวจตรวจสอบจิตว่าอะไรอยู่ในนั้นบ้างแอบซ่อนเข้ามาตรงไหนแอบเข้ามาตรงไหนแล้วสำรวจให้เจอเหมือนกับแพทย์หรือหมอพยายามสแกนหาสาเหตุของโรคต่างๆ เข้าไปดูว่าจุดไหนเป็นจุดของโลกก็จะเคลียร์ออกแล้วใส่ยาเข้าไปถ้าสติสัมยะของเราแม่นยำที่ฝึกมาอย่างถูกต้องเป็นสัมมา ส, สติและสมาสมาธิจริงต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ละโดยการเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราเปลี่ยนความวิตกกังวลในใจของเราเป็นความรู้สึกตัวไม่ได้มันจะกลายเป็นความเก็บกด สติส ม, มัยะที่เข้าไป บ, าบังคับจิตไม่ให้คิดนั้นโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกดัวแทนที่มันจะเป็นสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็เป็นมิชาสมาธิจิตของเราก็จะหนักมันถูกกดเอาไว้ทั่วโลกคนในโลกใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเมื่อต้องการสกัดสะกดกันอารมณ์เมื่อถึงระดับหนึ่งมาถึงระเบิดใส่กันระเบิดออกมาทางวาจา ระเบิดออกมาทางกายมันระเบิดที่จิตก่อนเพราะจิตทุ่งกุกเก็บกดด้วยอารมณ์ต่างๆแทนที่เราจะใช้สติสัมยาจ์ในเคลียออกหรือเปลี่ยนออกให้เป็นความรู้สึกตัวแต่นี้เรามาฝึกความรู้สึกตัวมานานพอสมควรแล้วเนี่ยถ้าเรายังเปลี่ยนความในใจของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องดีเรื่องร้ายก็ตามให้เป็นความรู้สึกตัวอย่างไม่ได้ก็แสดงว่าสติสัมยาจ์ที่ฝึกมามันผิดเราจะต้องไปตั้งต้นใหม่ นะนะแต่ถ้ามันถูกต้องมันก็สามารถจะเปลี่ยนเรียกว่าวิตกวิจารตามภาษาเขาให้เป็นตัวสติให้เป็นตัวสมัมมัญญาให้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวได้เมื่อความรู้สึกตัวชัดเจนต่อเนื่องกันระยะยาวด้วยอํานาจของอตัวสติสัมยะมันก็จะค่อยเปลี่ยนเป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้จะทําให้กายเบาใจเบากายสบายใจสบาย กายสบายใจสบายนั่นเรียกว่าปีติสุขเกิดหลักนี่ปีติสุขเกิดคือความสบายกายความสบายใจความเบากายเบาใจปรากฏเพราะไม่มีความคิดใดๆถูกเก็บกดเอาไว้ในใจมันก็จะเป็นความโปร่งเบาเราก็ตามดูตามรู้ความโปร่งเบาสบายนี้ต่อไปอีกโดยไม่เสพโดยไม่ยึดโดยไม่ ติดเลยไม่หลงเข้าไปเสพเพื่อไปเพลินกับความปีติได้สุดทางกายทั้งใจนี้ดูมันต่อไปดูต่อไปเรื่อยๆความเบากายเบาใจก็จะต่อเนื่องไปมันจะกลายเป็นตัวอารมณ์เดียวเขาใช้คาว่าเอกขาตาและตัวเหลือเดือจิตเป็นหนึ่งเดียวกับกายกายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตเราก็ดูความรู้สึกตัวทั้งกายทั้งใจเนี่ย ต่อไปเรื่อยๆต่อไปจนกระทั่งมันเข้มแข็งได้ระดับหนึ่งนั้นเรียกว่าสติและอุเบกขาเข้าถึงกันสติและอุเบกขาเชื่อมเข้าถึงกันนี่องค์สมมาสมาธิมีแค่นี้ต้องการเอาสติและอุเบกขาเข้าเชื่อมถึงกันแต่มันจะต้องผ่านเบื้องต้นให้ได้ก่อนคือเคลียร์ความวิตกกังวลในใจทุกเรื่อง ไม่เว้นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดเคลียออกอแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่มาปรากฏในจิตนั้นมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือภาพเข้ามาปรากฏเหมือนเรานั่งหน้ากระจกภาพต้องปรากฏแ น, น่นอนนี่เรียกว่านามรูปเข้ามาปรากฏ เพราะอะไรเพราะจิตมันทําหน้าที่ของมันจะต้องรับรู้การกระทบทุกอย่างที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาในานามของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมันเคลียออกได้อย่างนี้จิตของเราก็เริ่มโล่งโปร่งเบาสบายออกมาเป็นปีติและสุ ข, ขคือความโปร่งเบาสบาย เมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นในกายในใจเราก็ไม่เสพเราก็ไม่เพลินเฝ้าดูว่ามันอยู่อย่างไรดูความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาของมันไม่ได้หมายความว่าจะให้ความสุขและปีติเนี่ยดำรงอยู่ตลอดแต่เห็นความเป็นอนิจจังของมันเดี๋ยวมันมาแล้วมัไปสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ซึ่งจะทำให้เรา <c oughs> เห็นเส้นทางของจิตของเราว่าเออมันมาที่นี่แล้วมันไปยังไงต่อ นั่นคือได้ตามรู้ไปอันนี้ได้ทดทบทวนอีกครั้งหนึ่งอย่าสับสนน ะ, ะเมื่อเอาวิตก ว, วิจารณ์ออกก็เกิดความปร่งเบาสบายเรียกว่าปีติสุขเมื่อปีติและสุขถูกกําหนดรู้ถูลักษณะความเป็นไปเป็นมา้องชัดเจนรู้เท่าทันโดยที่ไม่ให้วิตกกังวลกลับเข้ามาอีกมันจิตก็จะตายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่าเอก ข, าขาตาจิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับกาย กลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตและเอกาตาคือความเป็นหนึ่งเดียวดำลงไปนานๆโ <c oughs> <c oughs> ดยที่เราไม่เข้าไปในองค์ของฌานหรือไม่นิ่งไม่เสพไม่เสเวยเข้าไปในองค์ฌานนั้นมันก็จะเกิดตัวเชื่อมต่อระหว่างสติและอุเปขาเพราะนั้นที่เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่ทําเป็นก็มาลัดเอาโดยทุกสติอุปขาเลยทีเดียว ไม่ต้องผ่านวิตรวิจารปีติสุเอกตาในวิธีการอลงพ่อเทียนจึงมาลัดเอาตรงนี้เลยมาทำสติแล้วทำจิตเป็นอุเปขาต่ออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เข้าไปคล้องแวะแต่ถ้าตัวสติสัญญาณที่เราทําเบื้องต้นไม่เข้มแข็งตัวสติอุเปกขาก็ตั้งอยู่ไม่นานสักพักก็จะมีอารมณ์ผ่านผ่านก็จะเผยเสพเผยเสพก็มาทั้งต้นใหม่อีก นั่นก็แสดงว่ากำลังของสติปขาไม่เข้มแข็งเพราะไม่ได้ไต่เต้าไปตามลำดับตรงเนี้ยเป็นข้อบกพร่องของนักปฏิบัติในสายเคลื่อนไหวนะไปเข้าใจว่าตัวสติอุปขานั้นแค่ว่ามีสติกับเรรู้เราะเฉยๆรู้ซื่อ ๆ, อๆมันแปลว่ารู้ซื่อสติแปลว่ารู้อุปิขาเวลซื่อๆรู้ซื่อๆเนี่ยนะเป็นตัวชานที่สีทีเดียวถ้าทําได้แต่ว่ามันทาได้นิดเดียวสักพักมันไม่ซื่อแล้วเพราะอะไร พสติสัมยาที่ดําเนินมาต่อเบื้องต้นที่จะเคลียอวิจตกกังวลให้ให้ออกไปออกไปได้นานๆเป็นฐานเบื้องต้นก่อนนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเราจะไม่บอกว่าอันนี้เป็นขา้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ละแต่บอกว่าอันนี้คือชั้นของจิตที่เราจะต้องทําตามลําดับทีนี้ไอ้ตัวิตกังวลมาจากไหนก็มาจากการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็ปรากฏที่จิต เมื่อการกระทบแล้วเทียงได้กลาเบื้องต้นมีสองลักษณะหนึ่งกระทบแล้วเป็นเพียงนมามรูปหรือเป็นรูปนามถ้ากระทบแล้วเป็นเพียงรู้ว่าเป็นเพียงออรูปนามเราก็รู้มันเฉยๆก็ปล่อยวางไปมันก็จะเป็นสติไปขาเหมือนเดิมแต่ถ้านมามรูปปรากฏแล้วเราเฉยต่อมันไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นโดยสังขารเป็นจิตแต่สังขารเหมือนเราดูภาพในกระจก เรานั่งหน้ากระจกไม่ให้รูปปรากฏในกระจกไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันอ่าทีนี้เราจะทำยังไงที่จะไม่หลงชอบชมนิยมชมชอบรูปในกระจกนั้นว่ามันสวยไม่สวยดีไม่ดีมันถูกมันผิดมันอ่าอย่างไรไม่มีตัววิจารณ์ตรงนั้นดูมันเฉยๆแล้วก็ไม่ใส่ใจกับมันรูปที่ปรากฏนั้มรูปที่ปรากฏก็เปลี่ยนเป็นปัญญาอ่าก็เปลี่ยนเป็นอุปเฆาทันที แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิตกวิจารใหม่เป็นตีแต่สังขารใหม่แต่รู้เท่าทันปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอุปเบขาอ่านะฮันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาสติของเราจะเข้มแข็งหรือไม่ต้องมาตรวจสอบตรงนี้ว่ากําลังของสติอุปเบขาเราตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนนะถ้ามันตั้งอยู่ได้นานนั่นก็หมายความว่ามันถูกต้องแล้วนะเราก็ ทำให้มันชํานาญที่นี้ทําให้ชํานาญเรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าไปสู่ตัววิปัสนาญก็ไม่วิปัสนาญาณก็ไม่ยากหลังจากสติอุปัขฐาดํารงอยู่นานมันก็เกิดตัววิปัสนาญาณตรงนั้นและวิปัสนาญาณตรงนั้นก็จะก่อตั้งแต่นามารูปปฏิเชเทยานกําหนดรู้นามารูปทันเปลี่ยนนามารูปให้เป็นตัโยปขาแต่ถ้าว่าไม่สามารถเปลี่ยนนามารูปให้เป็นโยปขาได้มันก็จะเป็น ไปในทางฝ่ายจิตแตสังขารนั่นเป็นต้นเหตุของทุกของความคิดสารพัดอย่างนะตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่ชัดเจนตรงนี้สัมมาสมาธิไม่เข้มแข็งคุณจะเจริญสติไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่เข้มแข็งอยู่ดีเพราะเราไม่มีฐานหรือฐานเราไม่ดีถ้าเป็นสนามบินเล็กๆเครื่องบินใหญ่ก็ลงไม่ได้เพราะเรื่องเล็กๆน้อยพอทนได้พอเจอเรื่องใหญ่ทนไม่ได้แนละ เหมือนกับอาสนามเล็กเอาเครื่องบินใหญ่ไปลงลงไม่ได้นะมันอันตรายจิตของเราก็เหมือนกันจะรับความคิดรับสติรับปัญหาอะไรได้เนี่ยมันต้องกว้างใหญ่พอเหมือนสนามบินรับได้ทั้งเครื่องบินใหญ่เครื่องบินเล็กถ้าจิตมันมีสติแล้วไปขาแน่นอนแล้วเนี่ยมันรับได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องสูญเสียเรื่องแก่เรื่องตายของตัวเองก็ไม่หวั่นไหวเรื่องเจ็บเรื่องตายก็ไม่หวั่นไหวนั่นคือสมาธิที่มันเปลี่ยนเป็นสติหรือไปขา และอุเปกสติอเุเขาตนนัวนี้เมื่อได้รับการฟูงฟักเฝ้าดูไปนานเข้าก็จะเปลี่ยนเป็นวิปัสนาญาณซึ่งมีถึงสิบหกขั้นที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขั้นที่แรกเรียกว่านามรูปปฏิเจทยญาณคือกำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจเนี่ยเป็นญาณอันหนึ่งญาณที่หนึ่ง เสร็จแล้วถ้าหากตัวยานตัวนี้เราทําให้มันชํานาญเห็นนามะรูปเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเ<ม>ห็นนามะรูปเห็นสิ่งปรากฏขึ้นในใจเปลี่ยนเป็นอุเบกขาและอุเบกขาตัวนี้ต้องระวังให้ดีว่าถ้าฐานสติสามารถจะไม่เข้มแข็งอุเบกขาตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นตัวอุเบกขาเวทนาไม่ใช่อุเบกขาสัมผัสชงแต่อุเบกขาสัมเวทอาอุเบกขาเวทนานี่เองพร้อมที่จะเป็นตัวเก็บกฎของในจิตนั่นเองแล้วมันจะหนักนะ มันจะนะมันจะไม่เป็นวิปัสนาแล้วทีนี้ก็ไปเป็นสมถะใหม่เพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติสมถะจึงไปวิปัสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถเปลี่ยนสติเปิขาให้เป็นวิปัสนาญาณได้เพราะฉะนั้นพระพุทจาอนุตตรว่าผู้ที่ไปสู่ภาวะของพรหมหรือเพียงแต่ชานสมาบัติแล้วเนี่ยไปสู่อริมรักไม่ได้เพราะจิตมันไปถูกกดจิตมันจะนิ่งจิตมันจะสงบ เพราะฉะนะั้นท่านไปเคยไปฝึกกะอาราดร า, า, าบทตรก็ทัศกับบทมาแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าจุดด้อยมันอยู่ตรงไห น, นท่านก็เลยทิ้งไม่ฝึกต่อแต่ตอนหลังมาเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็จะไปชวนอาจารย์มาเข้าลักษณะนี้ก็ก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเสพลึกเกินไปที่จะเปลีป่ยนแปลงได้นะดังนั้นเองก็เราให้เข้าใจสมาสมาธิที่เราจะต้องทําวันนี้ว่าประการที่หนึ่ต้อง ใช้สติสัมยะสํารวจใจของเราว่ามีวิตกกังวลอะไรอยู่ในใจหรือเปลา่าถ้าทำได้เท่าทันเสมออะไรเกิดขึ้นเท่าทันอะไรเกิดขึ้นเท่าทันจิตก็จะว่างจากความคิดและการปรุงแต่งนั้นก็เกิดความเบาสบายทางกายทางจิตประการที่สอง ประการที่สามเมื่อเกิดความสบายเปร่งเบาทางกายทางจิตแล้วเราไม่เสพเราไม่ยึดเราไม่จมเราไม่ติดเราไม่แช่ตรงนั้นเราตามรู้ถึงลักษณะของมันต่อไปว่าแม้แต่ปีติสเุเอ็กปีติสุเองก็เป็นตกใว้ใต้กฎของใจรักมันก็จะเปลี่ยนนะเข้าเปลี่ยนออกอยู่อย่างนั้นนะเห็นอารมณ์เขาออกอยู่ทันอยู่นะ เราก็ตามรู้โดยที่ไม่ต้องเก็บกดมันโดยที่ต้องบังคับไม่ต้องอยากอยกให้มันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปตามกฎของใจแล้วโดยการที่สํารวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอย่างนั้นเองจิตของเรากลับมาที่เดิมทีนี้ปีติสุขมันก็จะเป็นเป็นเอกลักษณคือความเป็นอันเดียวกันกับกายกับใจกายใจเริ่มเป็นอันเดียวกันเห็นชัดสติสัมยาการเคลื่อนไหวยังไงเห็นชัดเนี่อันที่สามเป็นอันนี้ พอเห็นชัดทั้งสองอย่างอันที่สี่สติและอุเบกขาคือภาวะารู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อและรู้ชัดชัดเนี่ยมันจะดํารงอยู่ได้นานถ้าดํารงอยู่สั้นๆเราไม่เรียกว่าเป็นองค์ชานแต่มันต้องดํารงอยู่นานๆโดยสติและอุเบกขามีสติกํากับด้วยถ้าไม่มีสติไม่มีสมาสติกํากับตัวอุเบกขามันเปลี่ยนเป็นตัวโมห oh ะ นั่นคือผลของสมรถที่ไปอริยภูมิไม่ได้แต่ถ้าหากสติคอยเฝ้าดูจิตชื่อเฉยๆไปนานๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เกิดธรรมวิจยายขึ้นมานี่คือหลักของสมาสมาธิที่เราประลบตอนเช้าให้ลองเราไปทำดูถ้ามันขัดข้องไม่ชัดเจนไม่ตรงไหนก็ต้องถามกัน แต่วันนี้ลองดูว่าเราสมมติว่าเป็นวันปิดวาจาสักวันนึงที่มันพูดอยู่ในใจเนี่ยเปลี่ยนวิตุวิจารณ์ที่มันอยู่ในใจที่เป็นมนุกรรมเนี่ยอย่าให้มันออกมาทางวมหจีกรรมได้ไหมแต่เป็นกายกรรมต้องรู้เปลี่ยนเป็นกายกรรมรู้ที่กายกรรมแต่มนุกรรมห้ามมันไม่ได้มันจะพูดนูน่นพูดนี่อะไรออกมาก็ห้ามมันแต่เปลี่ยนเป็นกายกรรม คือมานั่งทำเดินช้าเดินเร็วก้าวหน้าถอยหลังยกมือช้าเร็วแลวก็เปลี่ยนให้ออกมาเป็นในทางนั้นเสียแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่เท่าเอาไม่ทันตัวมโนกรรมนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอุเปขาแบบมิจฉาสมาธิคือการกดเก็บกดและกดดันซึ่งเป็นไม่เป็นผลดี นะเพราะฉะนั้นสอ ง, สองตัวนี้สําคัญจุดนี้สําคัญว่าในขณะที่เราสํารวจกายสํารวจใจมันเผอปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดแต่ว่าเราไม่รู้เท่าทันนามรูปมันก็ออกมาเป็นจีแต่สังขารแต่ถ้ารู้เท่าทันนามรูปมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนามทันทีกายกับใจเป็นอานเดียวกันอ่าอันนี้คือคือหลักของมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเองเมื่อเราปิดวาจาเนี่ย จิตมันก็ยังทํางานอยู่มโนกรรมก็ทํางานอยู่คิดจะทําน่นทนํานี่คิดจะไปนน่นไปนี่คิดจะพูดอันา น, านั้นอันนี้ปับ๊บได้สติคอยควบคุมอยู่แล้วก็ระบายออกมาที่ความรู้สึกตัวเรื่อยๆมาตามที่ความรู้สึกตัวชัดๆมโนกรรมก็จะเปลี่ยนเป็นกายกรรมที่เป็นกุศลกุศลที่เป็นกายกรรมการที่ออกมาเป็นคําพูดหมายความว่าเราตามกายกรรมไม่ทันออกมาเป็นวจีกรรม ตรงนี้เราลองลองฝึกดูว่าวันนี้เราจะทําได้ไห ม, มถึงมันจะช้าหน่อยก็ช่างมันนะเราต้องการทุกความรวดเร็วต้องบอกต้องตะโกนต้องมันถึงได้ตามใจแต่นี่ไม่ต้องบอกเราเข้าจําเป็นเข้าไปเชียวและอันนี้เป็นอันนี้ใช้ภาษาใจดูนะเป็นการฝึกถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ได้บ่อยๆเนี่ยความก้าวหน้าการปฏิบัติ แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อศึกษาเป็นกรณีศึกษาว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวนิ่งของอาจิตที่มันเป็นมโนกรรมให้มันเป็นความรู้สึกตัวได้ทันไหมแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวปีติตัวสุขตัวเอกตาของมันเองนะแต่เบื้องต้นเข้าไปทำจิตให้รู้ซื่อไว้ก่อน รู้ซื่อแบบรู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้ซื่อแบบเก็บกดเพราะรู้ซื่อมีสองแบบรู้ซื่อแบบเก็บกฎหรือแบบรบบ เ, เ, รเป็นโมหะรู้ซื่อแบบรู้สึกตัวกลายเป็นตัวปัญญานะมันมันจะตรงกันข้ามกันเลยดังนั้นเองก็ในช่วงเช้านี่เราให้บทเรียนกันแค่นี้ถ้าไปทำแล้วขัดข้องทำไมา่ได้ตรงไหนก็บอกาถาม เราต้องระมัดระวังใครระวังมันถ้าใครเพื่อพูดออกเสียงดังหลวงพ่อก็จะทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการให้เพื่อที่จะปรับให้เราเข้าสู่บทเรียนให้ทันไม่ให้มันยาวนะก็ขออนุโมทนาสาธุ